Mm hm mm -hmm. mm -hmm. เป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาประจําปี2559ัราเก้าเราเรียกวันออกพรรษาวันนี้นะยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปารณาอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พระเพราะว่าเป็นวันที่พระจะทําพิธีปารณาแก่กันปารณานี่แปลว่าอะไรนะทำไมจึงเป็นมหาปารนาสําหรับวันนี้ ปราปรณาแปลว่ายอมหรืออนุญาตถ้ายมปรารณากับพระก็เรียกว่าหมายความว่ายอมให้พระเนี่ยขอได้หรืออนุญาตให้ขออาจจะขอเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องยูกยาเรื่องจีวร อ, อาจจะขอเกี่ยวกัเรื่องการเดินทางช่วยขับรถไปส่งในเมืองหน่อยหรือพาไปวัดนั้นวัดนี้นหน่อยเนี่ยธรรมดาเนี่ย พระจะไปขอโยมให้ทำอย่างน้นอย่างนี้ขอให้ใส่บาตรนี่ขอให้หุงหาอาหารให้นี่ทำไม่ได้นะแล้วแต่ว่าญาติโยมจะศรัทธาแต่ถ้าญาติโยมคนไหนปรารณนากับพระรูปนั้นเอาไว้พระรูปนั้นก็ขอได้ไม่อับัตนะแต่ก็ขอได้เฉพาะกับโยมที่ปรารณนานะถ้าโยมที่ไม่ได้ปรารณนาก็ไปขอเขาไม่ได้ยกเว้นว่ า, ากล้ชิดสนิทสนมกันนะ ก็เป็นรู้เป็นที่รู้กันโดยโดยในนะอันนี้อันนี้สำหรับโยมถ้าพระเนี่ยปรณากันก็หมายความว่าอนุญาตให้ว่ากล่าวอนุญาตให้ทักท้วงอนุญาตให้ตักเตือนได้การปารนนาก็มีพิธีนะเมื่อกลางวันนี้ก็พระทั้งวัดก็ทำพิธีปรณากับสงพูดเป็นภาษาบาลีแนละ้วก็ แปลว่าข้าพเจ้าขอปรนากับหมู่สงฆ์ว่าหากเห็นก็ดีได้ยินก็ดีระแวงสงสัยก็ดีว่าทําอะไรที่ไม่ถูกนะก็ขอให้ว่ากล่าวด้วยความเอ็นดูด้วยความปรานาดีเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วก็จ ะ, ะปรับตัวหรือว่าแก้ไขนะก็ว่าสามครั้งเรื่องปรนานานี่ผู้เจ้าก็ถือ้เป็นเรื่องสําคัญนะปกติ วันนี้เนี่ยนะขึ้นสิบห้าข้าสิบสี่ข้าก็ตามเนี่ยพระก็จะสวดปฏิโมกเนี่ยขาดไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยวันออกพรรษาเนี่ยพิเศษนะสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ดนี่ยให้ป ร, รารนาตักกันนะไม่ต้องสวดปฏิโมกข์จึงเรียกว่าวันมหาเป ร, รารนาะพระเราเนี่ยมีพิธีอยู่สองอย่างนะตอนเข้าพรรษาเราก็อธิษฐานพ อ, อพรรษาเราก็ป ร, รารนา อธิษฐานนี้ก็แปลว่าความตั้งใจมั่นเช่นอธิษฐานพรรษาคือตั้งใจว่าจะอยู่ในอาว่านี้ให้ครบสามเดือนแนะสดงความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวความตั้งใจซึ่งมีความหมายว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ก็จะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยนะจะพยายามอยู่ให้ครบพรรษาให้ได้ให้ครบสามเดือนให้ได้ส่วนปารนาเนี่ยนะมันมีลักษณะของความ การถ่อมตัวนะถ่อมตัวคือว่ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะยังเป็นปุตุชนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําอะไรผิดพลาดไปบ้างด้วยความพลั้งเผลอเมื่อพลั้งเผลอแล้วเนี่ยก็ขอให้หมู่สงนะช่วยทักท้วงช่วยบอกกล่าวช่วยตักเตือนนะถ้าปารนน้าที่ยใจจริงเนี่ยนะมันก็แสดงในความถ่อมตัวนะเพราะว่าคนที่ปรนน้าเนี่ยนะ จะอายุมากพรรษามากจะเป็นเจ้าวาดก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้พระที่พรรษาน้อยหรือว่าพระลูกวัดแม้แต่บวชพรรษาเดียวทักท่วงได้นี่เป็นวิสัยของชาวพุทธนะผู้ใฝ่ศึกษาฝ่พัฒนาตนไม่ใช่ว่าฉันเป็นเจ้าอาวาสฉันมีพรรษาเยอะ 30-40-50 ี 30, 40, ่า้าพรษาใครจะมาทักมาทวงไม่ได้อันนี้ไม่ถูกนะ ทำได้นะแต่บางทีก็มีความเข้าใจในหมู่พระว่ า, าเราเป็นพระพรนษาน้อยจะไปทักท้วงพระพรรษามากไม่ได้โดยเพราะท่านที่เป็นเจ้าว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะยิ่งได้ปรบารณากันแล้วนี่จะ ก, กี่พันษาก็แล้วแต่นะจะเป็นพระที่ทรงสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นพระราชาคณะเจ้าคุณนี่ก็ต้องพร้อมที่จะให้ าพระท่านอื่นๆแม้พรรษาน้อยกว่าแม้จะไม่มีสมนาสังเนี่ยทักทวงได้ตักเตือนได้นะอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธโดยพระประสงค์นะที่มาบวชเพื่อการศึกษาพัฒนาตนอย่างที่พูดเมื่อช้าวันเนี่ยเป็นสขบุคคลสขบุคคลคือคนที่ต้องมีการศึกษาอยู่ถ้าตาใดที่ยังไม่เป็นพระรหั์ยังต้องศึกษากต้องมีการพัฒนาตน แล้วคนเราจะพัฒนาตนได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบอกพร่องตรงไหนด้วยแต่คนเราบางทีก็ไม่รู้นะเพราะว่ามองตัวเองได้ไม่ท้วท่วทีจำเป็นต้องมีมิตรซึ่งเป็นกรน้ำมิดช่วยทักท้วงช่วยบอกกล่าวช่วยตักเตือนนอันนี้ก็เป็นการฝึกตนนะสิ่งที่เขาพูดมาจะจริงหรือเปล่าถูกหรือไม่เนี่ยธรรมดาคนเราก็จะมีความขุนเคืองยิ่งเป็นผู้ใหญ่ นะมีอายุมีการศึกษาไม่ว่าศึกษาทางโลกทางธรรมก็มักจะไม่ชอบให้ใครมาทักท้วงเพราะว่ามันมีกิเลส ท, ที่ครองใจอยู่กิเลสตัวนี้ชื่อว่ามาะนะนะมานะคือความสําคัญมั่นหมายว่าฉันเก่งฉันดีฉันแน่มีหมดนะแม้แต่เด็กๆแม้แต่พระที่บวชไม่ถึงพรรษานี่ก็มีมานะายิ่งบวชมากบวชนานมีความรู้มาก เป็นครูบาอาจารย์ไอตัวมาเนี้ยมาณานี่ก็อาจจะมากด้วยเหมือนกันนะพอมีมาณ์าแล้วเนี่ยนะภาษาภาษาสมัยใหม่ลวามีอีโก้มีอัตตามันก็จะไม่ชอบให้ใครมาทักท้วงเพราะการทักท้วงแปลว่าแสดงว่าเธอยังไม่ถูกเธอยังทำผิดตัวมาณานี่มันยอมไม่ได้มันก็ไม่พอใจคุณเคืองอันนี้ธรรมชาติของทรอเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่ฝ่ใฝ่ธรร นะก็จะต้องไม่เปิดโอกาสให้กิเลสหรือมานะนี่มันเข้ามาครองใจเวลามีใครมาทักท้วงกิเลสบอกว่าไม่ใช่ไม่ถูกนะโกรธนะเราก็จะไปหลงเชื่อมานะอย่าไปหลงเชื่อกิเลสนะเพราะถ้าเราหลงเชื่อนะเราก็จะโกรธตามนะมันสั่งให้โกรธนะเราก็โกรธนะคนที่มาแนะนำมันสั่งให้ด่าก็ดา่านะมันสั่งให้ตอบโต้ด่ากลับไป เราก็ทําตามอันนี้เราก็ก็เรียกว่าเสียพูดเสียคนนะหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องรู้ทันนะว่าธรรมชาติของปุถุชนอย่างเราเร า, เราท่านท่านเนี่ยมันมีกิเลสตัวนี้อยู่ธรรมดาพอมีคนมาตำหนิเราเนี่ยถ้าเราเผลอเมื่อหละก็จะโกรธนะก็จะไม่พอใจแต่ว่าก็อย่าให้มันคลองจิตคลองใจเรานานก็ให้รู้ทันมีสตินะ แล้วก็เปิดใจรับฟังยิ่งเราได้กล่าวคําปรารณาไว้แล้วก็อย่าให้ปรารณาแต่ปากนะให้เราจริงใจกับคําพูดที่เราเอ่ยออกมาเมื่อเราลึกได้ว่าเราปรารณาไว้กัมมูสงกัมมูมิตรนะมันก็จะช่วยเตือนใจว่าเอออย่าไปโกรธเขานะอย่าไปปิดหูไม่ฟังนะต้องเปิดใจฟังสักหน่อยนะถ้าเราทํำนี้บ่อยๆทั้งบ่อยๆเนี่ยตัวมานะมันก็จะมีอํานาจ คลองจิตคลองใจเราน้อยลงนะมันก็จะอ่อนแอลงไปก็ทำให้เราการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้แหละนะคือการบาเพ็ญธรรมที่ชื่อว่ามัทธะนะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะทศพิรัชธรรมนะข้อนน้งคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมัทวะนี่แหละซึ่งเป็นธรรมะที่ในหลวงก็ได้บาเพ็ญมาและเราก็สมควรจะบาเพ็ญนะ ไม่ใช่ในฐานะประสงค์นิกรที่ดีเท่านั้นแต่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเป็นอ่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะเป็นศักยบุตรนะก็ยิ่งต้องนะต้องอ่าเปิดใจรับฟังคำทักท้วงไม่ถือตั ว, ถ, ตวถือตนว่าฉันเก่งฉันแน่เพราะฉะนั้นพิธีปราณาเนี่ยนะมันจึงมีความสำคัญนะถ้าเราไม่เพียงศักแต่ว่าให้เป็นพิธีเฉยๆและ ถ้าหากว่าเราขยายให้มันกว้างออกไปก็คือว่าเปิดใจนะให้กับหมู่มิตรแล้วก็ญาติโยมไม่ใช่เฉพาะกับหมู่สงฆ์เท่านั้นนะถึงแม้จะไม่มีพิธีปรณากับญาติโยมนะแต่ว่าเราก็ลองเปรนาไว้ในใจนะหรือว่าบอกกายเป็นทูลลูกหรือก็พูดจะเป็นที่รูก้กันว่า ยอมให้ว่ากล่าวได้ยอมให้ตักเตือนได้ยอมให้ทักท้วงได้ที่นี่ก็เป็นประเพณีนะว่าถึงแม้เราจะไม่มีาการปรนานากับญาติโยมนะรวมทั้งแม่ชีแต่ก็ยอมให้ทักท้วงได้หลวงพ่อคเขียนท่านก็ทําเป็นแบบอย่างมาแล้วนะอันนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นวิสัยของชาวพุทธทั่วไปด้วยนะไม่ใช่พระนะที่จะ มีธรรมะข้อนี้เท่านั้นนะญาติโยมก็ควรจะมีธรรมะข้อนี้ต่อกันด้วยหมายความว่าถ้าญาติโยมด้วยการจะทักท้วงก็เปิดใจฟังอันนี้รวมไปถึงว่าพ่อแม่นะก็เปิดใจฟังลูกถ้าลูกจะทักท้วงพ่อแม่ก็ฟังนะอย่ากโกรธอย่าโมโหถ้าพ่อแม่ทําอย่างนี้เลยนะลูกจะฟังพ่อแม่เวลาพ่อแม่พูดอะไร ลูกก็จะฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อแม่หลายคนบอกว่าบ่นว่าลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่โดยเฉพาะลูกที่เป็นวัยรุ่นถ้าสืบสาวดูจริงๆก็จะพบว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูกตอนที่ลูกยังเด็กนีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่หรอกสั่งอย่างเดียวเวลาลูกทําอะไรผิดก็ไม่เคยถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมไม่ทําการบ้านทําไมตื่นสายไม่ถาม ทำไมกลับบ้านดึกไม่ถามมาถึงก็ด่าเลยนะบางทีลูกจะไม่สบายรว่องกจะมีเหตุผลก็ได้ฟังเอาไว้นะเมื่อพ่อแม่ฟังลูกลูกเวลามีปัญหาก็มารล่าให้พ่อแม่ฟังหรือเวลาลูกทำตัวไม่ถูกต้องพ่อแม่พูดลูกก็จะฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีวันปรณานี้ก็อยากจะให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าความหมายนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ทาพิธีกันนะ ระหว่างพระกับโยมหรือระหว่างโยมกับโยมด้วยกันนะั้นแต่ก็ขอให้เธอเป็นธรรมะข้อนหนึ่งนะที่มันจะช่วยทําให้เรามีความสุขมีความเจริญนะเป็นผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเนี่ยตากายยิไปปุตุชนยิงต้องศึกษานะตามหลักไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้เนี่ยอ่าเมื่อเข้าใจวันความหมายของวันปรณาแล้วเนี่ยก็เอาไปปฏิบัติ เมื่อออกพรรษาไปแล้วไม่ว่าเราจะศึกหาราเพยออกไปไม่ว่าเราจะกลับไปปฏิบัติธรรมที่บ้านหรือว่าจังอยู่เป็นพระเป็นนักบวชต่อไป <c oughs> ก็อย่าลืมนะออกพรรษาแล้วไม่ได้แปลว่าออกจากธรรมออกพรรษานี่มันเป็นแค่สมมุติทางเทศกาลแต่ว่าเรายังต้องพึ่งพาธรร ม, มะอยู่ต่อไปออกพรรษาแล้วไม่ได้แปลว่าเราหยุดกินข้าว ออพรรษาแล้วยังกินข้าวต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นออกพรรษาแล้วก็เราก็ยังต้องไม่ยังต้องอยู่ในธรรมไม่ออกจากธรรมเพราะว่าการกินข้าวนะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งต้องคู่กันไปสมัยที่หลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสักสีสิปีที่แล้วเนี่ยมีพระญี่ปุ่นสามรูปนะเป็นพระเซนท่านมาถามหลวงพ่อชาว่าทําสมาธิไปทําไมทําสมาธิเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องทําสมาธิทําสมาธิแล้วได้อะไรหลวงพ่อชาก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่ถามกลับไปว่ากินข้าวไปทําไมกินข้าวเพื่ออะไรทําไมต้องกินข้าวกินข้าวแล้วได้อะไรพอพูดอย่างนี้ข้าวผาญี่ปุ่นนั้นก็เข้าใจเลยอ๋อใช่เพราะว่าการปฏิบัติธรรมหรือการทําสมาธิภาวนามันก็ไม่ต่างจากการกินข้าวเรากินข้าวทุกวันเราไม่เคยถามเลยว่ากินข้าวไปทําไม แต่เวลาจะทำสมาธิเวลาจะปฏิบัติธรรมทำไมต้องถามนะข้าวเนี่ยมันบำรุงกายนะธรรมะนะมันบำรุงใจทำให้จิตใจเข้มแข็งทำให้จิตใจมีพลังและธรรมะนี่นเป็นเครื่องปกปักรักษาใจด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังแต่ยังเป็นสิ่งที่ปกป้องจิตใจปกป้องจากอะไรปกป้องจากความทุกข์ คนเราเนี่ยไม่ว่าจะรวยแค่ไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ปานใดนะถึงแม้ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายที่อำนวยความสะดวกสบายให้ความสุขกับเราคนเราก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความพัดภาคสูญเสียเกิดจากความผิดหวังไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเราจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีแค่ไหนหรือต่อไปไปอยู่ถึงดวงจันทร์ไปอยู่ดาวอังคาร มันก็ยังต้องเจอความพัดผ้าสูญเสียนะต้องเจอความไม่สมหวังต้องเจอความผิดหวังซึ่งทำให้เกิดความทุกข์นะไม่มีใครหนีพ้นนะแม้ว่าเราปรารถนาจะให้ชีวิตของเราราบรื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างที่เราปรารถนาเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ลรยด้วยกีบกุหลาบแม้แต่คนที่ทำความดี มาอย่างอุกฤษนะไม่มีความด่างพร้อยเช่นพระพุทธเจ้านี่นะก็ยังต้องเจอกับคาต่อว่าด่าทอการใส่ร้ายมีคนปองร้ายหมายเอาชีวิตนะเอาถึงตายเลยนะแล้วก็ยังต้องเจอกับความแก่ต้องเจอความเจ็บป่วยและเราเนี่ยซึ่งเป็นปุถุชนเนี่ยนะทำดีบ้างทำชั่วบ้างเนี่ย เราจะคิดว่าเราคิดว่าเราจะชีวิตเราจะราบรื่นปลอดภัยนะสะดวกสบายตลอดเวลาได้อย่างไรธรรมดาของชีวิตก็มีขึ้นมีลงนะต้องเจอกับสิ่งที่เป็นบวกเจอกับสิ่งที่เป็นลบนะเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมฝ่ายบวกก็คือได้ลาบได้ยศนะได้รับความสารนิษินได้รับความสุขสบายแต่ว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าจะทาบุญ เพื่อให้ได้สิ่งนี้มาถึงได้มามันก็ยังต้องเจอกอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตรงข้ามเสื่อมลาบเสื่อมยศนะเจอคำต่อว่าดาทอดินทาแล้วก็เจอความทุกข์ยังไงยังไงก็ต้องเจอนะถึงแม้ ว, ว่าจะยิ่งใหญ่ร่ารวยแค่ไหนที่ถ้าเจอแล้วเนี่ยนะจะทำอย่างไรนะถ้าเรามีธรรมะรักษาใจเจออะไรเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์นะ เจออะไรใจก็ไม่ทุกข์นะแม้ว่าแม้ว่าจะเจอกับความพลาดพลาดสูญเสียนะใจก็ยังเป็นปกติได้ธรรมะนี่ช่วยทําให้เรามองนะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะแม้เห็นแม้เจอทุกข์ก็เห็นเป็นธรรมะหรือว่าแม้เจอเคราะห์ก็เห็นเป็นโชคได้เคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชายหนุ่มเป็นคนที่มีน้ําใจดี ชอบพานักศึกษาไปช่วยโรงเรียนในชนบทสงเคราะห์หมู่บ้านที่ห่างไกลทำางนี้อยู่เป็นประจำมีคราวหนึ่งก็พานักศึกษาไปช่วยสงเคราะห์โรงเรียนแถวแม่ห้องสอนไกลนะไปทาประมาณตั้ามวันก็เสร็จขากรมนี่เขาก็จะเดินทางไปจังหวัดตากต่อก็นั่งรถไปกับคณะนี่นักศึกษานี่แหละ แม่ห้องสอนนี่เลี้ยวโค้งนี่มันเยอะนะเป็นพันโค้งเลยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะรถมันแหกโค้งลงมาตอนที่รถเนี่ยตกเขาเนี่ยชายหนุ่มคนนี้นะก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คนที่เขาพามาทุกคนปลอดภัยรถมันก็ตกไปกระแทกกับตรงเหวนะแต่เหวมันไม่ลึกนักศึกษาที่เขาพามาทุกคนปลอดภัยแต่เขาเองเนี่ย โดนกระแทกอย่างแรงนะพี่การครึ่งตัวโอ้ยเพื่อนๆนี่ก็มามาเยี่ยมเขาแล้วก็มาตัดพ่อให้เขาฟังนะพูดกับเขาว่าเนี่ยขนาดทาบุญยังต้องเจออุบัติเหตุเลยพูดมันก็ว่าทาดีแล้วไม่ได้ดีนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่แกไม่มีความทุกข์เลยนะแกก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมแล้วก็รวมทั้งบอกคนเหล่านั้นว่านะก็เพราะ ทำดีแต่เพราะทำบุญเต้นะจึงเหลือต้องจึงเหลือตั้งขนาดนี้นะก็คือเหลือครึ่งตัวนะถ้าไม่ทำบุญนี่ก็คงตายไปแล้วนะอันนี้แล้วว่าเขาเจออุบัติเหตุนะถึงขั้นพิการนะแต่ว่าใจเขาไม่ทุกข์เพราะเขารู้จักมองนะเขามองเป็นนะคนที่มองอนี้แต่ก็ต้องมีธรรมะอยู่ด้วยนะอย่างนี้แล้วก็ต้องมีสตินะเพราะถ้าไม่มีสติมันก็จะตี อ, อกชกหัวนะว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้น อีกคนนึงก็เป็นช่างไฟฟ้านะโดยไฟฟ้าช็อตที่ขาไฟฟ้าอย่างแรงสูงเลยต้องตัดขาเลยนะตัดขาพิการตลอดชีวิตพิการได้ไม่ทนเลยนะนะภรรยาก็ทิ้งเขาไปโอ้เสียทั้งขานะเสียทั้งภรรยานะมันจะทุกข์แค่ไหนมีคนถามว่ารู้สึกยังไงที่ภรรยาทิ้งไปเขาก็ตอบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเพราะแม่แต่ขาของผมเนี่ย มันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยนะจะให้เมียนี่อยู่กับผมได้ยังไงนะเมียทิ้งไม่ทุกนะเพราะอะไรนะเพราะว่าได้เรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนนั่น น, นว่าเออขาของเรานี่มันไม่ใช่ขาของเราเลยนะวันดีคืนดีมันก็ต้องไปเอาคนบางคนพอเสียขาคนนี้โอ้ยอกุ้มอากุ้มใจยิ่งเมียทิ้งยิ่ง อ, อ่าจะเป็นจะตายให้ได้อันนี้เพราะว่าไม่ได้มีใจเนี่ย ไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจแต่ถ้าใจมีธรรมะแล้วเนี่ยถึงแม้เวลาเสียขาก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าได้เห็นว่าเออขานี่ไม่ใช่ของเราถึงเวลาเมียทิ้งไปก็เฉยนะเพราะว่าขาทสองข้างมันสอนนะให้เขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะแม้แต่ขามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วมีจะเป็นของเราได้ยังไง อันนี้รียกว่าเห็นธรรมะนะจากอุบาตเห็นธรรมะจากการเสียขาแต่อย่ามองที่แต่กระเพาะใจมีธรรมะเนี่ยเป็นเบื้องต้นนั้นเจออะไรเนี่ยนะมันไม่สําคัญทั้ว่าใจเราเป็นยังไงนะถ้าใจเรามีธรรมะเราก็จะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาถึงแม้จะเรียนทางโลกไม่สูงนะแต่ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยก็ช่วยทําให้เจออะไรใจก็ไม่ทุกนะและถ้าหาว่าใจมีธรรมะเนี่ยหรือว่ารู้จักสังเกตนะ อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์ทั้งนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะมันมาอย่างน้อยๆมันก็มาเพื่อฝึกฝึกใจเราให้ไม่ประมาทมันมาเพื่อสอนใจเราหรือบางทีมันก็มาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของเราก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่เป็นคนเรียนเก่งฉลาด แล้วก็รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีนิสัยเอาใจตัวเองแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นนะชอบอชอบอต่อว่านะใจรอ้อนนะจนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนนี่ก็ระอาและเนื่องจากความเป็นคนใจรอ้อนอารมณ์รอ้อนนะก็เลยเป็นคนโกรธง่ายวันดีคืนดีก็ปรากฏว่าเส้นเลือดนะในสมองเนี่ยมันแตกนะยังอายุไม่มากเลยนะ ก็ทําให้พิการนะเส้นเลืในสมองแตกเนี่ยพิการเลยนะขยื่นขยับขาก็ลําบากเดินเหินก็ไม่สะดวกทกํากายภาพก็ดีขึ้นไม่มากใหม่ๆเนี่ยตอนที่หมอมารักษาเนี่ยแกก็หงุดหนนะงิดําคาญนะหงุดหงิดขัดเครื่องใจทนไม่ได้นะคนที่เก่งคนที่ฉลาดเนี่ยเสร็จแล้วก็มานอนพิการมันทําใจยากแล้วความใจร้อนเนี่ยทำให้อดลนทนไม่ได้แต่หลังจากที่ เป็นอย่นี้มาหลายเดือนก็รู้ว่าก็ได้เรียนรู้จากร่างกายของตัวว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ที่ใจของตัวนะจะอยากแค่ไหนเนี่ยใจมันร่างกายมันก็ไม่ยอมยิ่งอยากให้เดินได้ยิ่งอยากให้ขยับขยื่นได้เหมือนปกติเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์เรียนรู้นะพอเรียนรู้เข้าก็เริ่มทำใจทาใจปล่อยวางหมอมารักษาความความเปลี่ยนแปลงก็เกิด ข, ขึ้นช้าแกก็ไม่หงุดหงิดนะ เริ่มทำใจได้กับร่างกายที่มันพิกลพิ ก, การอันนี้พอทำใจได้เนี่ยนะทำใจสบายๆเนี่ยร่างกายมันก็ปรับตัวดีขึ้นนะยิ่งออกกาลังกายนะมีการฟื้นฟูกายภาพบาบัดแล้วก็ใจก็ไม่ได้หงุดหงิดฉุนเฉียวเหมือนเมื่อก่อนทำใจได้ยอมรับได้นะบอกว่าร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะจนตอนหลังก็เดินเหินได้เกือบเป็นปกติ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่มีแค่นั้นนะบอกว่านิสัยใจขอก็เปลี่ยนด้วยเป็นคนใจเย็นขึ้นนะแล้วก็อดทนรอคอยได้ไม่ชุนเฉียวนะแต่ก่อนนี่ชอบว่าเพื่อนนะชอบใช้อารมณ์กับเพื่อนแต่พอหลังจากป่วยที่การเนี่ยนะกลายเป็นคนใจเย็นเพื่อนๆนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เคยละอานะก็กลับมา มาเป็นมิตรนะมาสนิทสนมกันเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเมื่อเขามาทบทวนดูก็พบว่าเออมันก็มีประโยชน์นะไอการที่เราพิการเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเพราะว่าถ้ายังยังเป็นเหมือนเดิมนี่นะอาจจะไม่ฟื้นได้ดีเท่าที่ควรก็เลยขอบใจนะอขอบคุณนะที่เราพิการที่เราเจออุบัติเหตุนะ ใชลในสมองแตกนะวันบางคนเนี่ยนะพอเจออาการแบบนี้ก็โอ๊ยตีอกชกหัวตีตีโพยตีพยตายกุ้มอกกุ้มใจบางคนอาจจะถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าคนที่เขารู้จักสังเกตเนี่ยนะหรือยอมรับความจริงเนี่ยก็จะสอนได้ความเจ็บปวมันก็จะมันก็จะสอนใจเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจเขาทำให้กลายเป็นคนใหม่ได้ เนี่ยมันมีหลายคนนะที่เขาเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเพราะว่าเจอความเจ็บป่วยเจอความพัดภาคสูญเสียของเรานี้เนี่ยมันไม่มีใครอยากเจอหรอกไม่มีใครอยากประสบหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ลองนึกสักหน่อยว่ามันมาเพื่อสอนเรามันมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราและถ้าเรายอมเปลี่ยนแปลงถ้าเรายอมยอมรับคำสอนนะชีวิตเราก็จะดีขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยนะเจอเหตุร้ายเนี่ยใจมันก็ยิ่งดิ่งลงเหวแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยใจเราก็จะเข้มแข็งใจเราก็จะฉลาดแล้วพอเจออะไรเนี่ยนะใจมันก็ไม่ทุกข์นะธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญออกพรรษาแล้วก็อย่าทิ้งธรรมะอย่าออกจากธรรมะนะต้องสร้างสมนะธรรมะมากๆ อย่ามัวแต่ทาบุญทากุศลโดยที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้ฉลาดให้มีปัญญาการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวนะการหมั่นพิจารามองสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมะอย่างไรบ้างนี่แหละมันจะช่วยทะให้ธรรมะในใจเราเจ ร, ริญงอกงามและจะช่วยรักษาใจทำให้ใจเราเนี่ยนะเป็นใจที่ฉลาดเจออะไรร้ายแค่ไหนนะมันก็สร้างความทุกข์ ให้กับเราไม่ได้ก็ฝากเอาไว้นะในช่วงสุดท้ายของเทศกาลขาบัรษาแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณชาวบ้านทั้งบ้านใหม่ไทยเจริญบ้านกุดง ง, งแล้วก็บ้านวังแคแล้วก็รวมถึงบ้านท่ามาไฟหรือตั้งชายญาติโยมจากที่ไกลๆนะที่ได้มาช่วยหาอาหารมาถวายพระเอาปัจจัยสี่สองกทานมา อุปธ ร, รมบำ ร, รุงพระซึ่งปีนี้ก็มีมากนะเกือบ50รูปรวมทั้งแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดทั้งพรรษาแล้วก็รวมทั้งญาติโยมที่มาใช้โอกาสเข้าพรรษานี่มาถือศีล น, นะมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะไม่ว่าจะเป็นวันศีลวันพระหรือวันธรรมดาก็ตามนะ ก็ขอใหนะ้ได้ประสบความสุขความเจริญขออ้างคุณพระศิรัตน์ไตราอา น, นวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขขาภละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทําความดีงามไม่ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาขอยอยู่เย็นเป็นสุขปลอดป้นจากความทุกข์มีปัญญาสามารถนําพาชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยดีจนกระทั่งเข้าถึงความสุกเกษมสาร มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน